พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับพพชาตินั่นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้น มันจดจำไม่ได้เท่านั้นความจดจำไม่ได้นี้ไม่ได้มีอำนาจที่จะลบล้างความจริงซึ่งเคยเป็นมาอย่างใดของเราแม้แต่นอนความจริงกับความจำมันต่างกันมากเห็นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบกหามกองทุก ไปกับภพบชาตินั้นๆหรือมากับภพบชาตินั้นๆเป็นมาเป็นเวลานานนี้เป็นคือความจริงมีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์จะจำได้หรือไม่ได้สนใจจำหรือไม่สนใจจำสนใจคิดหรือไม่สนใจคิดไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงเหล่านี้ไปได้เลยหากว่าไม่มีครู มีวิชาความรู้มาสอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เป็นมานี้ด้วยความจริงแห่งธรรมนั้นแล้วจะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปจนเรามนุษย์เรายังดีถ้าพูดถึงความได้เปรียบ ก, ก็ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายอยู่มากและได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดี ในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางป่ายเตแก้กิเหลือปัญหาอันเป็นท้ายเหตุแห่งผู้มีเรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แลเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มากแม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริม านาให้เจอยิ่งขึ้นมีท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นประกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็จากพระไัยของแต่และพระองค์ เฉพาะ อ, อย่างยิ่งในองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ทรงขุดค้นความจริงที่เป็นมาของพระองค์จนสามารถกระจายไปทุกแห่งหนในบรรดาศักด์ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันในรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตลอดทั่วถึงไม่มีที่ปิดบังรี้ลับพระปัญญายาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรง ทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาเจิงเลยนำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดจะเจ็บตายมาโดยลาดัน บ, บนี้คือเชื้ออันสำคัญได้แก่พิเันหาอาสะวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิต ไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำรละล้างได้ด้วยวิธีการ ใ, ใดๆนอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียนจําได้เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชะล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยึงจะเป็นไปได้ เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทาความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราวของตนเองขึ้นมาได้ยเรืยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกล้ามากสาหรับสามัญชนเราแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสำหรับท่านผู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตามจึงไม่สามารถจะแสดงกลมมายาต่อท่านผู้ทิฏฐาบตรกิเลสให้รากชากไปแล้วภ า, ายในจิตใจได้เลยดังพระพุทธเจ้าและพระหันท่านพระพุทธเจ้าก็ดีพระหันท่านก็ดีเป็นผู้ทิรู้แจง้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภ า, ายในจิตใจ ได้ขับไล่ออกด้วยครับปีชาสามารถของท่านมันไม่มีเหลือแม้ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นคนมายาของกิเลสทุกประเภทจึงไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขึ้นราบไปจากพระทยและจิตใจของพระสาวการถือถอน การคุดค้นหาต้นตออันลึกลับสลับซับซ้อนซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอุบาวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้รู้ผู้เห็นได้มีเราได้เกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระวาาหรือเป็นศาสนาธรรมอันสำคัญมาก ในบรรดาธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับขุดค้นกิเลส อ, อาสวะเราก็ได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงกับว่าหรือป่าช้าหมดแล้วภายในพระไทัยของโธไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าความเกิดแก่เก็บตายอันเป็นเครื่องหาถามทุกไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น ไปตลอดการไหนไหนพระสาวกอรหันแต่ละพระองค์ผู้แต่ละองค์องค์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้รื้อป่าช้าออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละป่าช้าอันแท้จริงก็ก็คือกิเลสรับจิตที่สังจมอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นที่เพาะเชื่อทั้งหลายหรือเป็นที่เพาะพวกพ่อชาติทั้งหลายเพราะที่ตรงนั้นแต่เราทั้งหลายไม่รู้ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งท่านกับพวกเราจรึงต่างกันอยู่มากทั้งๆ ท, ที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องก็เหมือนกันแต่เราไม่รู้เราจําไม่ได้และไม่รู้วิธีถอดถอนไม่รู้วิธีเจริไขสำหับท่านรู้วิธีถอดถอนรู้วิธีเจริญไขจนกระทั่งถอดถอนออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือท่านจึงกลายเป็นคนที่เสด็เลิศโลกยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นเไห น, ไหน เราจะนึกกระราวอ้างท่านว่าเป็นเสนะคือพุทธังธรรมังทั้งขังสนังกระฉามในาการถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้คุงทราบเรื่องของกิเลสด้วยดีหากเป็นนักปฏิบัติธรรมะเพื่อจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่ตนจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัท เทีู่่อุบาสกอุบาสิกาเราควรจะรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นข่าศิกต่อหัวใจเรามาเป็นเวลานานนี่เป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สุดอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกก็คือกิเลสไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปราบมมันลงจากหัวใจของสัตว์โลกได้เลยมันจึงพยองคลองตนปลอมสัตว์โลกไม่ให้รู้ เรื่องของมันว่าเป็นไัยต่อสัตว์โลกเลยไม่มีอันใดเกินก่เหลือสไปได้นี่เรียว่าความแหลมคมไม่มีอะไรจะเหนือกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ศึกษาอบรมธรรมเพื่อจะ น, นํามาวิจัยกันนํามาต่อสู้กันนํามาแยกแยะ กันให้เห็นดีเห็นชั่วเห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวหรืออยู่ในร่างกายและจิตใจของเราคนคนเดียวนี้แย่งพัดไปโดยนัลำดับคาว่ากิเลสคือสิ่งที่ทําความเข้าหมองมืดดําหรือมืดตื้อต่อจิตใจของใครนั่นคือเรียกงิเลตเมื่อมันตถุเข้าสิงอยู่ภายในจิตใจของใครมากน้อยจะทําให้คนนั้นโง่ หลงองนายเซ่อเซ่อสไปหมดแต่ตัวกิเลสจะไม่โง่จะไม่เซ่อเซ่อสสจะเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่ียดไม่มีอะไรเกินกิเลสการปราบปรามกิเ้ยจึงต้องไใช้ความพยายามให้หนักแน่นมั่นคงต่อการจะทําและวิธีการของตนที่นํามาใช้แต่ละอย่างไม่ได้ทาละลาะแหละแหล่ไม่ทําแบบเล่นๆแบบนุ่มๆดอน กิเลสแต่ละประเภทไม่มีกิเลสตัวไหนหล่อแหลกไม่มีกิเลสตัวไหน ล, หลุ่มๆุ่มดอนดอไม่มีกิเลสตัวไหนเป็นชุกภาพอ่อนโยนต่อจิตใจมนุษย์และจับพอที่จะมาชําระแก้ไขกันด้วยความหล่อแหละความอ่อนแอทอดทอดทอดแฉความสุภาพอ่อนโย น, าา น, โยนการแก้กิเลส แก้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกิริยาผ้าทางเราอันเป็นไปด้วยธรรมนี้นั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยความถ้าพูด้เต็มภาษาธรรมะเต็มให้เต็มความจริงก็คือว่าต้องฮึดสู้เสมอให้สมกับว่ากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าลูกเต้าหลานเหลีญปู่ย่าตายายของกิเลส จะมีความสุภาพอ่อนโยนต่อสัตว์โลกจะหล่อแหละเหวไหลเซ่อเซอซาซ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆต่อสัตว์โลกไม่มีมีแต่ตัวแหลมคมมีแต่ตัวโหดร้ายถ่นมีแต่ตัวจริงจังในทางที่จะทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การแก้ไขปราบปรามที่เลสเราจึงจะนำเอานํ า, า, า, านำความสุภาพเรียบร้อย ความอ่อนโยนความอ่อนแอความเอาตามยถากรรมความเป็นผู้วมีวาสนาน้อยถอยกําลังไปสู้กับกิเลสไม่ได้นอกจากจะเป็นเครื่องสังเวยกิเลสเป็นเครื่องเส้นสวงกิเลสแค่นี้หัวเราะฮาฮ า, าอยู่บนหัวใจของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราให้ย้อนหลังไปถึงพระาาพุทธเจ้าผู้ปราบกับกิเลสเรียกว่าพระองค์เป็น พระองค์แรกที่เข้าสู่สงครามระหว่างที่เหล็กกับพระองค์ต่อสู้กันมีความลำบากความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดในระหว่างที่กำลังเข้าสู่สงครามยืดขึ้นบนเวทีต่อกรกับที่เหล็กนั้นเราจะทราบได้ชัดถึงเรื่องความหนักเบาระหว่างทมกับที่เหล็กต่อสู้กัน พระพุทธเจ้าของเราต้องสลบถึงสามหนฟังสิคนเราไม่ถึงขั้นสลบคือไม่ทุกถึงขั้นฉลบจะสลบไปได้อย่างไรต้องทุกถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นไปได้แบบนั้นถ้าเลยจากขั้นนั้นก็ตายนี่คือวิธีการนี่คือการต่อสู้ความลำบากลำบนต่อในการต่อสู้กับชีเลตบนเวทีสืหัวใจเราหนักขนามนั้น บรรดาภาษาวกก็เช่นเดียวกันมีความลำบากลําบนในการประพฤติปฏิบัติเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหลังจากสนับตรับฟังให้ถึงใจแล้วขณะนตนออกบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลเธละาชามหากษัตเศรษฐีกุลประดุมกุลปีพ้อค้าประชาชนตนถึงขั้นคนธรรมดา เมื่อออกบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามต่อสู้กับวิเดศเพื่อชัยชนะเป็นยอดคนคือยอดของตัวเองโดยประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วงานที่ประทานให้ในความเป็นนักบวชค่อนเริ่มต้นตั้งแต่เจสาโรมานฉ า, าทันตาตะโจเป็นต้นไปทึงอาการสามที่สองภายในร่างกายนี้ ยังแยกแยะไปโดยลำดับแต่เบื้องต้นให้งานเท่านั้นเสียก่อนแลกกะบอกสถ า, านที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมในการต่อสู้กับพิเรศซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมมากต้องเลือกใช้สมองรคุมยอย่างเต็มที่ให้เหมาะสมสำหรับนักบวชเชิงช่อง แสดงสถานที่ว่าลุคโมราลลเซนาสันางนิซ่ายาปะปะชาตัดทวยาวยาวะสีลังอิสาโฮกะร์เนียผ่านทางหลายบรระชาบาสมบูรณ์ไหพระพุทธศาสนาแล้วไปเสาะแสวงหาอยู่ตามลุคลโมลล้มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาเพื่อเป็นความสะดวกเสิดตามต่อสู้กับที่เลืเอาให้ได้ชัยชนะยกตนให้หลุดพ้นจากภู หยียบย่ำทําลายกิเลสให้แหลกแตกประจายไปจากจิตใจจะไม่มีสินใดกดขี่บังคับเป็นเจ้านายเหนือ ห, หัวอีกต่อไปจะกลายเป็นจิตใจจะกลายเป็นอิสระอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปจีดขวางได้เลยตั้งแต่ขณะนั้นคือขณะที่ชนะกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นการปราบพรามกิเลสทุกประเภท ยังต้องทำด้วยความจริงใจเพราะกิเลสจริงต่อเราทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นก็จริงต่อเราสามารถนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามกำลังของกิเลสประเภทนั้นเกิดขึ้นความโกรธความหลงลาะตัญหาไม่ว่าประเภทใดขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วไม่มีประเภทใดได้ด้ ย, ดยพอที่จะนอนอยู่สบายให้มันรับ รำทำําเพลงให้เราฟังนอกจากเสียงร้องห่มร้องไห้ภ า, ายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่าทําลายเยียดร้องฮักความช่วยเหลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่แหละกิเลสทําลายคนคทำลายอย่างนีน้ผู้ไม่ได้ปฏิมาตต่อกิเลสผู้ไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รบกับกิเลสไม่มีทางทราบได้ว่า ยิเลศมีความโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของขัดโลกและตัวเองเขามากน้อยอย่างไรต่างเป็นผู้ก็ได้เคยต่อสู้กับยิเลศถึงจะทราบประเภทของยิเรสแต่และประเภทว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงโหดร้ายทารุณเพียงไรต่อจิตใจของเรานี่หลักสําคัญพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญหรือท่านทรงต่อสู้กับยิเลสทุกประเภทมาแล้วอย่างโชคโช่ ถึงกับขั้นสลบสลายผลสุดท้ายกิเลสตายพระองค์เพียงสลบเท่านั้นเมือ่อกิเลสตายไปแล้วพระองค์ก็ได้นำพิถีต่างปรากรามรกิเลสมาสอนโลกดังตามวิถีที่พระองค์ทรงได้ดำเนินมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยส่งเสริมให้พุทธบริษัทธหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย มีความทอดแท้อ่อนแอให้มีแต่ความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความใช้สติปัญญาให้มีความเฉียวฉลาดแหลมคมเพื่อทันกับคนมายาของจิเลสแต่และประเภทมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนไม่เคยบอกว่าความเกลียดคร้านเป็นของดีจิเลตกลัวนักไม่เคยบอกเลยจิเลตกลัวแต่ความภาคเพียนสิงได้จิเลตกลัวพระองค์จะนำสิ่งนั้นมาสิงได้จิเลตทำ แงใดขัน้นแห่งใดที่กิเลสจะพัทงทลายลงไปพระพุทธเจ้าทรงนํานั่นมาสั่งสอนสามโลกเพราะพระองค์ทรงทำ ม, มาแล้วได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระไทยทำจึงจัดว่าเป็นส่วนคาธรรมที่กลับไว้ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงทำนี้ทานานมาแล้วในกาในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดง เป็นสวดคาธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสายเหตุและสายผลตั้งแต่ต้นถึงปลายไม่มีที่ทาหนี้ตีเทียนดังที่เราได้ก ล, าล่าวชมเชยพระองค์ว่าอาธิกรณยานังมัชเชกนิยานังปริโยส า, า, านะกนิยาอัญญาณังไ พ, พระพรอบพิงทั้งเบื้องต้นเบื้องทรามกลางและสุดท้ายปายเด่นคือนี้จะอความถูกต้องแน่นยําเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปราบการที่เลือทั้งหลายภายในหัวใจทั้งจัก <_ <d> _>เราเป็นนักปฏิบัติต้องคานึงถึงศาสนาผู้เป็นสาธาะเสมอ<_ <d> _>การปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากขีด <_ d _> ลําบากกว่าลําบากต่อสู้กับปันใดก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสยึดเหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกระสับบนหัวใจของศัตเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานาก คือับสลัดตัดมันลงจากแทน่นบรรลังคือหัวใจเหล่านั้นจะลงได้ง่ายง่ายเมื่อไรต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนียวบางครั้งต้องสนะชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ในชยนัยชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุรปรากราชเสียจให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือจะริมุดจนล้วนอันเป็นความเมยสุดเต็มหัวใจเท่านั้นเป็นที่ต้องการ ชีวิตจิตใจจะขาดสลายลงไปเมื่อไรก็ขาดไปเถิดแต่เรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาที่จะฆ่ากิเลสและความสัตด์ความจริงที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้จะไม่ถอยเมื่อไม่ถึงชัยชนะเมื่อไรแล้วตายก็ตายนี่เห็นไหมเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นผู้ได้เคยปฏิบัติผู้ได้เคยเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละ เป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายคนมายาของจิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ปรากรามจิเลสให้อยู่ในเนื้อมือได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันผลก็คือสามาร ถ, ถแสดงถึงเรื่องมรกเรื่องผลตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติทุติยภได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจ ไม่สะทกสะพรานเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่เ ค, เคยต่อสู้กับพิเรศมาแล้วไม่มีหรืเราก็กําลังเข้าสู่สงครามในตอนนี้สงครามระหว่างพิเรศกับเราเอาให้ถึงกันความเพียร เท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการค่ากิเลสสติปัญญาเป็นสําคัญมาก น, นี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นนั้นจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นนันจะได้เดิมได้จนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุดด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจึงสามารถทํากิล ปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากตัวทำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทำให้แก่สัรโลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบกรามกิเลสเครื่องสนับส น, นุนที่ <c oughs> จะให้เป็นไปไม่ลดหย่อนหรือไม่อ่อนกำลังก็คือความภาคเพียง ความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกมาแล้วเส่นเดียวกันบางทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกข์ทรมาน ก, กับมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผ ล, เ พ, อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะทําไมจะไม่ทนทําไมจะไม่เพียรทําไมจะไม่ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตนเองเจตเหมือนกับผู้ถูกต้องผู้ต้องหา ผู้ต้องขังถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่พบไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ <c oughs> ไม่เคยลดอาวาสอกันเลยยิตได้รับความทุกข์ทุกเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกเพราะกิเลสอย่างเดียวเท่า น, นั้นไม่มีไม่เคยได้ยินว่าจิตนีทุกเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าหรือทุกเพราะพระธรรมไม่มีมีแต่ทุกเพราะกิเลส ทุกมากทุกน้อยทุกขนาดไหนทุกจนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นนี่เรื่องความทุกข์เพราะอำนากของกิเลสจิตจริงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่าจิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษา ว, วาจาคําพูดเหมือนเหล่านี่เลยอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลา จะไม่มีว่างเลยในโลกอนี้เสียงจะสะเทือนโลกกระเพาะไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่อยนมองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินจะเสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของให้ช่วยเหลือเนะี่ทรัพย์ก็เต็มที่ของสัตว์เทรัพย์ก็เต็มตัวในเรื่องของทุกมนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความความทุกขไม่ว่าคนมีคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาด อันเป็นวิสัยของสามันทนเราแล้วจะต้องถูกที่เรียเหยียบย่ำทําลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับจะถึงกับเพียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลือ ท, ท, ทุทั่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด <c oughs> เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คํานึงย้อนเข้ามาสู่จิต ซึ่งเป็นตัวสําคัญที่จะเข้าไปสู่พบนั้นพบนี้เข้าไปสู่แบบความทุกข์ความลําบากในพบนั้นพบนี้มีเป็นสําคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกขับจุดที่จิตใจเขาเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้ทีเหลือปัญหาชะวะโดยวิธีทำคุณงามความดีตายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนมาทั่งป่านี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ ยอมรับทุกมาตลอดถึงจะไม่พินาศสิตหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทําลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาใจจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่ถูกทําลายให้จิตหายวายปวงไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็นทนความทุกข์ความทรมานมาในพพชาตินั้นๆเพราะ อ, อํานาจของยิเรียนย่ำหมียิเรียไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ ห้องก็ตามเถิดกิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้ําอห้องรวมห้องน้ําของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่ที่ทับถ่ายที่บํารุงบําเรอยที่ทับปลอมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสัตว์โลกผู้อยู่ท่าอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเรา นี่แหละใจเรียกร้องหาความเสียเหลือจากเราอยู่เวลานี้อยู่ตลอดมาเนี้ยเขาจะได้เร่งความภาคเพียรเอาให้จรินให้จังทกิเลศทําเราทําจริงจังนะเราทํากับกิเลศทํำมัจะทำจะเหาะเหยียเนี่มันจะเข้ากันได้เลยต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมาไม่รู้กี่พวกกี่ชานแล้วตายแบบโมฆะตาตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลศที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากอืม สุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเด่นนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแ ค, ค่เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการตราตามกิเด่นด้วยความเปี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเด่ ก, ก็ตายถ้าหากว่าการประกอบความภาคเียันถึงขั้นไม่ตายแล้วจะมีในพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแล้วมีประวัติของพระสาวกจํานวนมากมาย ว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสู้กับกิเลสไม่ได้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสปราบพระพุทธเจ้าจนตายแต่นี้เพียงขั้นเฉลิสุดท้ายกิเลสตายน่ในประวัติเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตายแล้วพระสาวกแต่และองค์ก็ไม่เคยตายเพราะอำนาจความเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ตายหนึ่งมีแต่ความทุกข์ภาวนาบ่าเส้นขาดเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความท่าเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดควาทน บางองค์จะจักรสูแตกเช่นอย่างพระจักรสุบะพระจักรสุบาลเป็นต้นก็เพียงจักรสู่แตกเท่านั้นอืมสุดท้ายชิ้เล็ดก็แตกจากใจเพราะจักรสูภายนอกแตกกระจายกิ้เล็ดภายในใจก็แตกกระจายทำมาจากสุญานก็สว่างซ่าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นต่างอ่ะเราดูทีในประวัติมีไหม สาวกทั้งหลายตายเพราะความเพีย้ยนพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียนเพื่อแก้ที่เด็ดต่อสู้กับทิเลสไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันเหมือนเราทําไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลาบากแล้วที่เดชท่านกับที่เดชเราก็เหมือนกันทําไมจะไม่ทุกข์ไม่ลําบากและการต่อสู้กับทิ่เลสแต่ละประเภททาไมจะไม่ลําบากท่านทําไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกกิจตาคตเหมือนกัน พิเรศประเภทเดียวกันมักคปฏิบัติทาเครื่องมือปราบตามพิเรศก็เป็นส่วนคาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราบได้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพร่องเวลานี้ยิลกจึงไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นก็เห็นเลยมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนํามาวิจารต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียนเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสําคัญบกพร่องตรงไหนส <c oughs> ติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันพิเลย การที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียรได้เหตุที่ความเพียรได้ก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจมันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราไว้ในขณะที่เราทําความเพียรนั่นแหละเดินจงกลมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินตรงกรมทําความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทําความเพียรและสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทํางานแทนเสียหมด เดินจังกลมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปกิจถูกกิเลนลากไปขี่ทวิีก็ไม่รู้ <c oughs> เดินกระทั่งมันเอาไปของดีไปกินหมดแล้วมันถึงปล่อยมาเหลือแต่ซาแล้วก็มารู้สึกตัวหนี่เราเดินจงกลมมาตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรอ <c oughs> <c oughs> ทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่จะเรื่องของกิเลสเอาไปของดีไปกินหมดมันจะมีเรื่องธรรมที่ไหนหรือ ถ้าเดินจงกลมก็มีสติพิจารณาด้วยปัญญาตั้งเนื้อตั้งตัวต่อสู้จริงๆเหมือนกับนักมวยที่กําลังต่อยกันอยู่บนเวทีเขามีอาการอย่างไรนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแล้วต่อยกับพี่เล็ ก, ก็ต้องต่อยแบบนั้นอย่าปล่อยให้พี่เล็กมันหามลงเกะไปโดยไม่รู้สึกตัวหามไปเขยิบไหนก็ไม่รู้เอาของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ล่างแล้วก็ย้อนกลับมาทั้งมาม า, มาตามิ ทำอีกว่านี่ประกอบความเพียรแทบล้มจะตายหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกให้มาตำหนิทําอีกนั่นแหละกิเลสมันทําหน้าที่ในวงความเพียรของเราให้พากันทราบเสียแต่บัดนี้ถ้ายัางไม่ทราบนั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแล้วหาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนให้อยู่กับองค์แห่งภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นว่าไม่มี่นี่จะเรื่อง กิเลสลากรบเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนูน่นนอกโลกกระพัดมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้จนหมดเหลือแต่ซากแล้วกลับมาเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตำหนิอีกเี่ยนั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องเวลาอะไรแต่ในเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทํางานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหากมันจะได้อะไรท้งให้ถึงใจวิจารณ์ให้ถึงใจ เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆอา้าวปฏิบัติตาเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับยีเลดยิเลดต้องเอาเกรียบเราเสมอได้เกลียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความขิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไป่ได้เฉพนเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวรรันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเดี็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญสักกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้นี่จิตใจก็เบื้องต้นก็ล่มลูปคู่คราง ได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยเสมอเสมอไม่ลดละทอ้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแพลวข่ า, ขาวสามารถพิจราบเหตุทร า, าผลต้นตายดีชั่วระหว่างยิ่เลิกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพวกพันกันอย่างไรบ้างได้โดยำลำดับำลำดัเมื่อ สติปัญญาทันกิเลสต่อเพศใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ชนะแหลมผมตามกันทันไปหมดทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลสจะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทธโธอันเลิศโลก อยูภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระเสรีตลอดอนันต์ก่า น, นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าไปผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นที่เลสตายต่างหากเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่แหละแบบขบักที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็เป็นอย่างนั้นยรงไม่ควรที่จะ ทอถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาคเพียนที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสทาให้เกิดให้ตายมามีพบกี i i ่คชาติทำไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาคเพียนรืึดต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัวทั้งหลาก็ยิ่งจะได้จากตายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอันเรื่องความตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนีกิเลสแทะทําแทะอย่างนี้ปฏิบัติกันไปเราจะทราบเรื่องคลุ่มายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราอ เมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีคนมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้เราพูดได้เต็มปากถ้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดจะมาอาจเชื่อมได้หมดปัญหาหาความสุขหาที่ไหนนี่ลหละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้อยู่เป็นความสุขความสะดวกสบายในพบน้อยพบใหญ่ที่เราไป ก็เป็นอยู่ในการทำนธ์จิตใจในการบาเพ็ญคุณคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ไในไปในพภพชาตนั้นๆแตะสุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามถิ่งอย่างเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดไหนพบกครชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้ว นิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราเหิวข้าวเราเหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกอยากนิพพานก็คืออยากสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาไปอยากหาอะไรอีกความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยาก เ, เรื่องความหิวโหวยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากอันิ่งภานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความลาบากเหมือนกันเป็นความหิวโหวยเป็นความกระทุกเพลนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อมเป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติเียวแบบปรมังสิขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้ดีแล้ว ทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูถึงเป็นมีอะไรอยู่ตรนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทําไมกิเลสไม่ตายแม่ตัวเดียวมีหน้ำซ้ํายังจะพ่อคูนกิเลสให้เต็มภายในหัวใจก็ดีมันสมแลเหลอกับนักบวชนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสแล้วบวชมาเพื่อสั่งสมทำเพื่อสอบเสแสหาทำไม่ได้มาเสาะเสแสหากิเลสทําไม กิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการสะแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความงุกสาวบอบพญางตัวเองเกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรทังเรามีความเหนียวแน่นมัน่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้หรอมันก็ต้องหมดต้องขึ้นไปมีเอาให้กินให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อท้ออ่อนเอยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากพอเราลงไป ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในต่างชาติโลกวัะจักรไม่มีสิ้งสุดลงได้เลยแล้วไม่กลัวเหรือทั้งแตจะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่หรือไม่อยากตายเพราะเหตหละไไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมดอะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่ภบกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้เห็นประจักษกอ่ตัวของเราเนี่ยนะมันขึ้นมันสุดได้ยังไง แล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะไปหูได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาไม่หูมีน่ะพาให้มีพวกมีาชาติหนึ่งมีอีกเพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิความบริสุทนั่นสูญได้ยังไงถ้าสูญจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์นั่นฟังด้วยเอามันจริงมันจริงให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมด้วยเจ้าไม่ใช่ตุกตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริงพอที่มาจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละ ธรรมจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อไม่มีสิน่นใดเป็นเครื่องสัมผัสทำแล้วธรรมก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูป ก, กับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้ามันมีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปหรือเสียงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายแม้จะมีก็เหมือนไม่มีธรรมทั้งหลายที่มีเต็มมีอยู่โลกมาเป็นเวลานานก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นผู้จับสัมผัสสัมพันธ์รับภาพธรรมหนักเบามากน้อย ถ้าไม่มีถ้าใจไม่สามารถรับธรรมแล้วธรรมก็ไม่ไม่มีความหมายสําหรับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมหนักเบามากน้อยอย่างไรให้เราทราบตั้งแต่ยากถึงขั้นละเอียดถังกล่าวไว้แล้วว่าสมนานันจะรัช น, นีเอตัมมังขารมุตตังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันถูกศดทา่านวางเห็นสมณะหมายถึงที่ไหน เราต้องน้องเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้เจ็บความสงบน<ม>การเห็นสมณะหมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองทติปัญญาของเราเห็นความสงบของเราความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แกยย่สกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอานาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระราหบคุคคณอยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติก็อยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่ไม่มีที่รู้รู้ที่ใจเพราะใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตื้อด้วยอํานาจของกิเลสใจจึงควรได้รับการชักพอกด้วยสติปัญญาต่ภาคมเพี่ยนให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งรับสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สอง รับทราบได้ทั้งสมณะที่สามเป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่สี่คืออรหัตตะบุคคลอรหัตตะกิจเต็มภูมินั้นนหะที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ดได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคําว่าสมณะสมนานจะรับพลังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มปูมแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้น นี่หละมงคลอันสูงสุดดูที่สมณะภาในหัวใจจงชำนาจิตใจนี้ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศิกต่อใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกแล้วมีอยู่ที่นี่และําว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้รักษาใจดวงนี้แล้วเป็นผู้รับา ทำปรเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณธรรมความสงบตั้งแต่โสดาสกิทานาคาถึงอรหัตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นจะรหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดปัญหาการที่ใจ หรือพบรู้ชาติการเกิดแก่เส็บตายหรือที่ใจหรือกีเดียดปัญหาอกจากใจแล้วก็เท่าเท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายไปใสใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้หนีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบัติต่อเจ้าของ ผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้า ง, า ง, างพากันนำไ ป, ปแยกแยะประินิกพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยนเพราะที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสาคัญทั้งนั้น เหมือนยักษ์เหมือนผวีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นกิริยาเหมือนยักษ์เหมือนขวีฟาดทันทันแหลกกับกิเลสกิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นคิดหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นจงพากันจําไว้ให้ถึงใจการแสดงธรมก็เห็นชุ่มชื้